อัตมารู้จักพยาบาลคนหนึ่งที่หัดใหญ่เธอเป็นคนที่ทุ่มเทเรื่องการดูแลรักษาคนไข้ามากไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องกายแต่เรื่องจิตใจด้วยมีคนไข้คนหนึ่งก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วเธอก็อยากจะช่วยให้เขาไปอย่างสงบสอบถามก็ได้ความว่า คนไข้เนี่ยอยากจะไปกลับไปตายที่บ้านํากลางญาติพี่น้องว่าแบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ชายภูมิโอ้จากหาดใหญ่มาชายภูมินี่มันก็พันกับกิโลนะเทียบให้คู้ว่าคนไข้คนนี้ยากจนเธอก็ขนไคว่นะหาเงินเพื่อที่จะเหมารถจ้างรถไปส่งคนไข้าจาก หาดใหญ่ถึงชัยภูมิ เ, เงินสวัสดิการที่โรงพยาบาลมีให้มันก็ไม่พอเธอก็ต้องวิ่งเต้นเรี่ยไยหาเงินจากคนที่มีจิตศรัทธาก็ใช้เวลานะแต่ต้องรีบทำว่าคนไข้ใกล้จะไปแล้วแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นก็ต้องติดต่อ ทางรพรสตโรงพยาบาลส่งสรสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ของผู้ชายคนนี้ด้วยเพราะว่าคนไข้นี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยบรรเทาความปวดรวมทั้งออกซิเจนด้วยก็ต้องเจรจาประสานกับทางรพรสตที่นั่นให้เขาช่วยเอาใจใส่ดูแลคนไข้เมื่อเขากลับไปถึงบ้านแล้วก็เรียกว่า เริ่มจากศูนย์ก็คำทางจนเจอติดต่อเรียบร้อยได้ก็เป็นว่าทางปลายทางพร้อมก็เลยส่งคนไข้ไปชัยภูมิงานเธอก็เยอะอยู่แล้วนะงานในหน้าที่นะแล้วก็ต้องมาทำเรื่องนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นงานในหน้าที่ของเธอก็เรียกว่าเหนื่อยก็มีเพื่อนบางคนก็ชมเธอนะแต่เพื่อนบางคนก็พูดว่าเนี่ย ที่เธอทําอย่างเนี้ยก็เพื่อใช้กรรมใช้กรรมชาติแล้วคงไปทาอะไรไม่ดีกับคนใข้คนนี้เอาไว้ชาตินี้ก็เลยมาต้องใช้กรรมอาตอมาฟังแล้วก็รู้ว่ามันทาแม่งทาแม่งนะเดี๋ยวนี้มีคนคิดแบบนี้เยอะนะเวลาใครทําดีแล้วก็มีความยากลำบากบางคนที่แทนที่จะชื่นชมเอาเป็นแ บ, บอยางกลับมองว่าเนี่ยเขากลังใช้กรรมที่ทาไวในอดีต มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นมะเร็งนะแล้วเขาก็ขนขวายดูแลที่จริงก็มีเงินจ้างคนดูแลนะแต่ว่าเขาก็อยากจะดูแลเองด้วยก็เรียกว่าทํางานไปด้วยแล้วก็ดูแลภรรยาไปด้วยตอนหลังภรรยาการหนักเขาก็ทิ้งงานเลยนะมาดูแลภรรยาเจ็ดเนื้อเช็ดตัว อุจลาปัสสวาก็ทำให้ไม่ไม่ไม่รังเกียจนะเพื่อนบ้านบางคนรู้เรื่องนี้ก็พูดว่าเนี่ยผู้ชายนี่คนนี้กาลังใช้กรรมเพราะชาติแล้วนี่คงทำอะไรไม่ดีกับผู้หญิงชานี้ก็เลยต้องมาลำบากพวกเราฟังแบบนี้เราเราคิดว่ายังไงนะคิดว่าผู้หญิงถูกไหม การใช้กรรมเนี่ยนะมันหมายถึงว่าถูกกระทํำเช่นอเจ็บป่วยอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าถูกใช้เรียกว่าใช้กรรมก็ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคําว่าใช้กรรมเนี่ยมันหมายถึงการที่ถูกกระทําหรือจํายอมต้องรับสภาพที่ไม่ปรารถนาแต่ว่ากรณีตัวอย่างที่ยกมาที่เรื่องพยาบาลคนนี้ก็ดีแล้วก็ สามีผู้ป่วยมะเร็งนี่ก็ดีเนี่ยเขากาลังใช้กรรมจริงหรือเปล่าิึงที่เขาทำนี่เป็นความดีที่ควรยกย่องแต่ถ้าเรามองว่าเขากาลังใช้กรรมนี่ก็หมายเขาว่าเขากาลังประสบชะตากรรมนะที่จริงแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมเขาจากที่เราจะเอาเขาเป็นแบบอย่างเราก็เลยคิดว่าเออที่เ็าทำอย่างนี้ดีแล้ว เพราะว่าเขาต้องใช้กรรมเหมือนกับว่าก็สะสมแล้วนะกับความผิดพลาดที่ได้เคินทาในดีไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันแสดงว่าเขามีความแยกไม่ออกระหว่างการใช้กรรมกับการทำกรรมดีคือไปมองว่าเวลาใครทำความดีแล้วประสบความยากลาบากก็ถือว่าเป็นการใช้กรรมหมด เด่ย๋ยนี้คนไทยเราเข้าใจเรื่องกา ร, รผิดพลาดนะแยกไม่ออกระหว่างการใช้กรรมกับการทำกรรมดีหรือการสร้างกรรมใหม่ที่ดีอย่างที่บอกไว้แล้วว่าการใช้กรรมเนี่ยนะมันหมายถึงการที่ถูกกระทำหรือว่าจำยอมต้องรับสภาพที่ไม่ปรารถนาอย่างเช่นคนที่ไปขโมยขโมยของเขาแล้วถูกจับติดคุกเนี่ยนีย่เรียกว่ากลังใช้กรรม นะหรือว่ากินเหล้าสูบุรีอย่างหนักเสร็จแล้วในที่สุดก็ป่วยเป็นมะเร็งตับแข็งอันนี้เรียกว่าใช้กรรมไม่ต้องพูดเรื่องชาติที่แล้วนะชาตินี้มันก็ใช้มันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเขากาลังใช้กรรมถามว่าเขาอยากอยากอยากป่วยไหมเขาก็ไม่อยากป่วยแต่เขาปฏิเสธได้ไหมเขาปฏิเสธไม่ได้นี่เรียกว่าใช้กรรม แต่การสร้างกรรมเนี่ยหมายถึงว่าเลือกที่จะทําจะไม่ทําดีก็ได้แต่เขาเลือกที่จะทําความดี ท, ท, ทั้งที่เขามีความอุปสรรคความยากลาบากแต่เขาก็ยังทําอยู่อันนี้เราไม่เรียกว่าใช้กรรมนะ เ, เรียกว่าเ้ากำลังสร้างกรรมดีเพราะเขาเลือกได้อย่างพยาบาลคนนี้เขาก็เลือกได้ที่จะไม่ไม่ดูแลคนไข้คนนี้ก็ได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเหมารถมาส่งนชายภูมิก็ได้ เธอเลือกได้แต่เธอไม่แต่เธอไม่ทำอย่างนั้นเธอเลือกที่จะช่วยเขาหรือสามีคนที่ดูแลภรรยาที่ป่วยเนี่ยเขาก็เลือกได้ที่จะทิ้งภรรยาไปเลยก็ได้หรือว่าไม่สนใจดูแลแต่เขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาก็เลือกที่จะดูแลภรรยาอันนี้จะเรียกว่าเขาใช้กรรมได้อย่างไรนะเขากำลังสร้างกรรมดี เราอย่าไปคิดว่าทําความดีแล้วมีความยากลําบากเกิดขึ้นอันนี้เป็นการใช้กรรมนะคนไทยเราเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจผิดพลาดมากพอเข้าใจผิดพลาดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ตัวนะเวลาทําอะไรแล้วลําบากนิดหน่อยบอกฉันไม่ทํานะวเดี๋ยวจะเป็นการจะกลายเป็นการใช้กรรมไปที่จริงความยากลาบากที่เกิดขึ้นจากการทําความดีนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะ มันเป็นสิ่งดีที่ฝึกฝนจิตใจเราให้เข้มแข็งทำให้เราเสียสละทำให้เราเกิดปัญญาในการที่จ ะ, ะยกจิตเหนือความทุกขนะ์เดี๋ยวนี้เราไปมองว่าความยากลาบากที่เกิดขึ้น AI, อะไรก็มองเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงเป็นการใช้กรรมนะเราควรจะมองว่าความยากลาบากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทาความดี แล้วก็มันก็มีประโยชน์เหมือนกั น, นคนไทยนี่ทุกวันนี้เข้าใจเรื่องการผิดพลาดมากเยอะแยะอย่างเช่นมีความเข้าใจว่าเวลาใครเจ็บใครป่วยอาการหนักถ้าไปช่วยเขาเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นจะมาเล่งงานเราแทนเกิดเขากำลังใกล้ตายแล้วเราไปช่วยเขาให้มีชีวิตรอดเนี่ย เดี๋ยวเราจะ่วยเพราะว่าเจ้ากรรมในเวของคนนั้นจะไม่เล่นงานเราเพราะฉะนั้นทำยังไงก็เลยไม่ช่วยให้การไม่ช่วยเนี่ยมันก็คือการสร้างกรรมอีกแบบหนึ่งนะการยิ่งดูดายเวลาเจอคนตกทุกข์ได้ยากแล้วเราไม่ช่วยเนี่ยมันก็คือการสร้างกรรมแต่เป็นกรรมที่ไม่ดีนะซึ่งหมายความว่าต่อไปก็จะต้องรับวิบากจากการกระทานั้น เช่นต่อไปเราลําบากแล้วคนเขก็ไม่ช่วยเราบ้างนะให้ความคิดว่าช่วยคนแล้วเนี่ยเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นจะมาเล่นงานเรานี่มันมันเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากเพราะว่ามันทําให้คนเนี่ยไม่มีน้ําใจไม่ทําความดีต่อกันกฎแห่งกรรมเนี่ยที่พระเจ้าตรัสสอนเนี่ยเพื่อให้คนเน้ทําความดีเพื่อมีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่เดนี้เรากดแขงกรรมที่มาใช้เพื่อส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเพื่อที่เราจะนิ่งดูดายไม่ช่วยเหลือคนอื่นเดี๋ยวนี้อาการใช้การความเข้าใจวันนี้มันคาดเคลื่อนมากนะขนาที่เรียกว่าพี่นี่ไม่ช่วยน้องอามาเคยเจอคนไข้คนนึ่งเป็นมะเร็งที่คอแล้วแกก็สมาร์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ไม่รู้จักหรอกแต่ว่ามีพยาบาลบอกให้ไปเยี่ยมหน่อย ก็เห็นคนไข้เขาอาการก็แย่นะแต่ใจเขาสู้เขานั่งไม่ได้นะเขาต้องเอาตัวเนี่ยเอาหน้าอกทาบกับพื้นหรือทาบกับเตียงเพราะว่าคอมันหนักมากมะเร็งมันมเป็นก้อนใหญ่เลยเพยาบาลก็ดีนะก็ดูแลจนกระั่งเขากลับบ้านได้แต่กลับไปบ้านแล้วมีปัญหาคือว่าไม่มีใครดูแลเขาแฟนสาวจะมาช่วยดูแลพี่สาวก็ไล่ให้ไปเพราะว่าจะไม่แต่งงานกัน จะมาอยู่ใกล้กันไม่ได้ผิดศีลไม่รู้ศีลข้อไหนนะจะว่าผิดศีลข้อสามก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกันน ะ, ะแล้วพี่สาวไปไหนพี่สาวไปปฏิบัติธรรมที่วัดใกล้ๆพยาบาลก็อุตส่าห์ไปโทรศัพท์ติดต่อพี่สาวนะให้มาช่วยดูแลน้องชายที่บ้านหน่อยเพราะน้องชายไม่มีใครดูแลแล้วพี่สาวบอกว่าไม่ไปหรอกเพราะว่าเขาต้องใช้กรรมของเขา นะส่วนฉังก็จะปฏิบัติธรรมต่อไปเขาพูดอย่ีถูกไหมนะพี่สาวบอกว่าเขาต้องใช้กรรมเขาถ้าฉันไปช่วยเขาก็จะกลายเป็นการแทรกแซงกรรมอันนี้เป็นการเข้าใจ mm hmm. กฎแห่งกรรมที่ผิดพลาดมากเพราะการที่เราไปช่วยใครเนี่ยก็คือการสร้างกรรมดีส่วนช่วยแล้วจะได้ผลหรือไม่นะมันก็เป็นกรรมของเขาแล้วล่ะเช่นเขาป่วยมา เราก็ช่วยเขาเต็มที่นะถ้าเขาหายอ่ะก็แสดงว่าเขายงมีบุญต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่หายนั่นก็เป็นกรรมของเขานะเราก็ทำเต็มที่แล้วในฐานะที่เป็นพยาบาลหรือเป็นผู้ปรารถนาดีจะไปคิดว่าการไปช่วยเขานี่เป็นการแทรกแซงกรรมนะมันคือการสร้างกรรมดีและการไปช่วยน้องชายเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าต้องมาปฏิบัติธรรมกันที่วัด อย่างที่อาตมาบอกไว้แล้วการปฏิบัติธรรมบางทีมันทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นก็ได้นะอัตตาหนานะเพราะว่าไปนึกถึงแต่ตัวเองและยิ่งเอากฎแห่งกรรมมาใช้ในการสนับสนุนความเห็นแก่ตัวด้วยนี่ยิ่งเข้าลึกเข้าพงใหญ่เลยเดีนะ๋ยวนี้เราเราเข้าใจกันถึงขนาดนี้แม้กระทั่งพี่ไม่ช่วยน้องแล้วนี่มันก็แย่แล้วนะน้องก็ไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้า ใเราต้องเข้าใจเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมให้ถูกนะเพราะว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเพื่อให้คนทําความดีเพื่อเฟือ้อช่วยเหลือกันจะไปกลัวเจ้ากรรมในเวทนะเพราะพุทธเจ้าตรัสเองว่าทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมการช่วยเหลือคนนี่เป็นความดีไหมถ้า ก, การช่วยเหลือคนเป็นความดีก็ให้มั่นใจในความดีนั้นว่าจะช่วยปกป้องเรา อย่างเจตมาเล่าเมาื่อวานเนี่ยคนที่เขาคิดถึงผู้อื่นเนี่ยตอนนั้นที่เขาเป็นเอดติดเชื้อแต่เขายิ่งทำเนี่ยสุขภาพเขายิ่งดีขึ้นการคิดถึงผู้อื่นกับการเป็นส่งผลให้ดีกับตัวเองด้วยเมื่อทำความดีไม่ช่วยเหลือเขาอ่าสุขภาพก็ก็จะไม่เลวร้ายแต่มันก็ไม่แน่นะบางทีการทำความดี ให้ทําบุญให้ทารักษาะิีลก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นโรคไม่เจ็บไม่ป่วยก็เป็นขนาดพระอรหันต์ก็ยังป่วยเป็นโรคร้ายมรณะภาพเพราะมะเร็งก็เยอะจะไปคิดว่าทําความดีแล้วไม่จะไม่จะปลอดพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็เป็นนะแต่ว่าถึงเป็นมันก็เป็นความทุกข์แค่กายแต่ว่าใจนี้ไม่ทุกข์ด้วยป่วยแต่กายใจไม่ปวดนะอันนี้เรียกว่าเจอทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นะ ซึ่งกเกิดขึ้นจากการทําความดีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเจริญสติทำวิปัสสนามันก็ช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้นะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่แค่การภาวนาอย่างเดียวนะการให้ทานการรักษาสิ่การช่วยเหลือผู้คนก็เป็นสิ่งที่ต้องทํายิ่งถ้าเราช่วยเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมเท่าไหร่เรายิ่งต้องทำความดีนะ เจอความยากลำบากก็จะไปคิดว่านี่เรากำลังใช้กรรมนะแยกให้ถูกนะระหว่างการใช้กรรมกับการสร้างกรรมหรือการทำกรรมดีจะทำกรรมดีแล้วไปถูกคนอื่นเขาพูดว่านี่เรากำลังใช้กรรมนี่อย่าไปหวั่นไหวนะอย่าไปหวั่นไหวให้รู้ว่านี่เรากำลังทำกรรมดีส่วนคนที่มีความเข้าใจว่าคนทำความดีแล้วนี่เขากาลังใช้กรรมอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนความเข้าใจเชิใหม่ เพราะว่ากำลังมีมิจฉาทิฏฐิแล้วนะ